ถูกแซงแล้วรู้สึกไงรื้มใจเขาหงหิวมากที่บ้านโงอดอยากอย่างนี้เรียกว่ากะแนกกะแหนแล้วจิตเป็นอกุศลลล้วเขาหงหิวเราอยังทนได้ให้เขาก่อนไม่ชัดใจเป็นอกุศลนะใจไม่เป็นอกุศลก็อย่างน้อยๆก็กะแนกกะแหนะแรงหน่อยว่าเขาอะไรว่าเขาสีนขาด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 แต่ถูกแต่ว่าไม่ตรงทิศทางอะไรเงี้ยนี่มันมีอคาาติขึ้นมาหรือผู้พิพากษาเป็นผู้พักษาต้องไม่มีอคาาติต้องดูข้อมูลของโจ์ดูข้อมูลของจำเลยแฟกซ์ล้วนๆไม่มีอคาาติเนี่ยอย่างนี้จิตใจที่ไม่มีอคตินะถึงจะเรียนรู้ความจริงได้ดี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 ตอนที่อยู่อายุมากนะอย่างไอเนี้ยยังมีความสุขไม่ต้องทามาหากินแล้วนะมาอยู่ริมทะเลนั่งตกปลาเล่นพักผ่อนสบายใจอุ๊อยเสนออะไรวะให้ไปทางานแทบตายนะแล้วเพื่อจะมาพักผ่อนริมทะเลตอนเนี้ยพักอยู่แล้วตอนนี้ยาย้ได้พักผ่อนอยู่แล้วเพราะสบายมากเลยอยู่ริมทะเลนะมีชีวิตที่สบายอยู่แล้วม่พมันตดหลอกนะหลอกวนไปเรื่อยๆ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 เมื่อก่อนมีคนเขียนสามารถขีเพศคําฉันอยู่ในชิดบรุรทัศตเขียนเขียนเก่งบอกกลอนกากากระหวาดขมังธนูโบหอนจะเห็นทวัตทิปูศิลาถอยฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <laughs> บอกเหมือนอีกาที่ขี้ขลาดนะไม่ทันจะเห็นธนูก็ถอยแล้นักรบที่ขี้ขลาดเนี่ยไม่ทันจะเห็นธงรบของข้าสึกก็ถอยละเหมือนอีกาที่ไม่เห็นธนูก็กลัว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 ตรต ร, ตรนีู้้สึกไม้มตอนนี้ไม่ได้รวบไว้<ะ>บางขณะรวบเอาไว้บางขณะปล่อยออเอนี่ยดูตัวนี้ไม่เที่ยงถ้าตัวนี้เที่ยงน ะ, ะยังไม่ดี<ะ>ถ้าเราเห็นว่ากระทั่งตัวนี้ยตัวดูเนี่ยก็ไม่เที่ยงน ะ, ะอันนี้ดีมากเลยอันนี้อันนี้ก็กเห็นความไม่เที่ยงเกิดดับของคื อ, ค, อคือเห็นในแง่อนาตามากแล้ว